โอ้โหเนี่ยนะถ้าเลื่อนจิตพ้นมาหาผู้ได้นี่วิเศษอย่างยิ่งเลยนะถ้ามีอัธยาศัยอย่างนั้นนะก็อนุโมทนาด้วยนะว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากมีปัญญามากแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเน่ยนะนะเขาเบื่อเป็นบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นแหละก็สําคัญนะต่อไปก็เห็นโทษไอ้ความคิดอันนั้นให้มากๆด้วยเออไอความคิดตัวนี้แหละสังขารชนิดหนึ่งที่มันน่าเดือดอีกเหมือนกันยังไงจะพ้นไอ้ความคิดตัวนี้สักทีหนึ่งนะ ก็ก็ก็เบืบ่ออะไรก็ช่างแตอ่อย่าลืมเบืบ่อความคิดตัวนั้นด้วยสําคัญที่สุดเนี่ยนะไอ้ความคิดอันนี้มันก็น่าเบื่อมันก็สังขารชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ตามเห็นความคิดอันนี้แหละโดยความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันอไอ้ความคิดอันนี้เมื่อก่อนก็ไม่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มาเกิดขึ้นนะจากไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หมดเพราะมันก็ไม่ได้เบื่ออย่างนี้ตลอดเวลาอะไรบางทีก็เบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างไอ้ความคิดอันนี้มันก็น่าเบื่อเหมือนกัน เนี่ยนะก็เอาให้จริงก็เบื่อความคิดตัวนั้นด้วยนะอันนี้แหละไม่ผิดทางเนี่ยนะเพราะว่าเบื่ออย่างอื่นนั้มันจะไปตามอำนาจตัวความคิดนั่นแหละมันจะพาไปพาไปพามาบอกโอ้เสียใจในภายหลังไม่น่าเชื่อมันนักเลยไอตัวเบื่ อ, อ น, นี่นะพราะเบื่อส่วนใหญ่ของคนที่ไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยเบื่อด้วยอคติหรือเบื่อแบบไม่แยบใครเนี่ยนะถ้าถามจริงๆว่าเราเบื่อเพราะอะไรคือถ้าเบื่อใน ในทางธรรมะเนี่ยนะอย่างเช่นคนที่ได้ฌานเขาเบื่อนี่เขาเบื่ออะไรรู้ไหมเบื่อแล้วเกินไอ้ฌานอันนี้มันยังถูกปัจจัยปรุงแต่งมันน่าเบื่อแล้วเกินฌานเนี่ยนะหลือพูดในหนึ่งนะว่าคนที่มีฌานคือคนที่มีความสุขจริงๆเลยนะเช่นปฐมฌานก็เป็นวิเประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเบื่อแล้วเกินไอ้ตัวความสุขอันนี้ทุติยฌ า, านสงบระงับวิตกวิจารเนี่ยนะเหลือแต่ปีติสุขเกิดจากวิเวก ปีติอะไอ้ก็น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่ออีกนะตติยาชาเนี่ยหมดปีติเหลือแต่สุขกับสมาธิสุขอันนี้ก็น่าเบื่อจตุตชะชาเนี่ยละสุขทุกโสมนัตโทมณต์ก่อนๆได้ดารงอยู่ด้วยอุเบกขามีสติบริสุทธ์อันนี้ก็น่าเบื่อ อ, อ, อ, อีอนนกแล้วถ้าอย่างนี้ก็เข้าเขาละาเปอร์เซ็นที่จะออกจากวัฏะได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าเบื่อเป็นบางเรื่องหลายเรื่องไม่เบื่อ ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีอคติต่อบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะจะน้อมไปเพื่อเบื่อก็น้อมไปว่าเบื่อเพราะอะไรท่้นคนที่ทําปริญญารอบทาปริญญามาทั้งหมดเขาจึงรู้เลยว่าทําไมจึิงน่าเบื่อเนี่ยนะถ้าเรายังไม่ได้มนสิการหรือเอาอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เรารับรู้มาทําปริญญาให้เพียงพอนะอย่าไปคิดเลยว่าอนุสัยไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้น อนุสัยเนี่ยนะเพราะอาจถาว่ายังละไม่ได้เนี่ยนะถ้าอารมณ์ใดที่ยังไม่ทําปริญญาจนสามารถแทงตลอดอริยมรรณะะอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นนะอยากคิดเลยว่ากิเลสจะไม่เกิดอีกเนี่ยนะวากิเลสจะไม่เกิดกับสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่มีเพราะว่าความไม่แยกคายของเรายังมีอยู่หมายความว่านิจจสัญญาตัวตัวสําคัญที่สุดที่ทําให้ไม่ออกจากวะตาคือตัวนิจจสัญญา ตัวสุขสัญญาตัวอัตตะสัญญาและก็ตัวโสภาสัญญาเนี่ยนะคือกลุ่มสัญญาวิปลาสทั้งหลายนี่แหละทําให้ไม่ค่อยคิดจะออกจากวัตตะทีนี้มันก็มีกลุ่มอกีกกลุ่มพวกสัตกลุ่มศักระสัญญาก็ยังสําคัญว่าโอ้เนี่ยที่เราจะศูญเลยหรือเนี่ยมัห่วงเองนะกลัวจะศูนย์ตัวตนเออีงอ่ะใครรู้ไหมพระฉันนะ พระฉันนะเนี่ยหลังจากที่ถูกลงพรมาทำเนี่ยนะไปเจริญวิปัสน า, าไม่เที่ยงเป็นทุกไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเจริญไปเจริญมาเอางั้นอัตตามันก็ศูญสิเนี่ยกลัวมากเลยนะเพกลัวมากก็เลยไปหาพระอนนาอนนพระนนท์ก็เลยแสดงธรรมปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมให้ฟังเนี่ยนะก็เลยตัดฉันทรละฆในขันหาได้มารู้เป็นพระอรหรัน์ แต่ถ้าธรรมดานะคิดไปก็คเฮ้ยงั้นเราก็หายสินั่นห่วงว่าเราจะหายอยีกนะเพราะนั้นก็นี่แหละถ้าทําปริญญาไม่ดีกับทุกอารมณ์นะโอ้โหเล่นยากมากกับจิตเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าในทุกอารมณ์เรามีโมหะหมดเลยเนี่ยนะเรามีโมหะเกือบทุกอารมณ์เนะ น, นี่ยนะเอานะถามว่าอารมณ์ไหนม้างเราเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาง่ายมากเลยนะหายยากนะดูทุกอย่าง ถึงมันอนิจจ์นะเราก็อยากจะให้มันนิจจงอยู่เสมอเอมันมันก็รู้ว่าคนเราเกิดมามันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมมันน่าจะอายุมากกว่านี้อีหน่อยนะอย่างเงี้ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันก็ตายทั้งหมดใช่ไหมเอ๊ะก็น่าจะมากกว่านี้อีกหน่อันนีะของอะไรที่ไม่รู้จักเสื่อมไม่มีรอกแต่มันน่าจะใช้งานได้มากกว่านั้นเนี่ยนะเราก็จะน้อมไปเครียกว่ามันไม่เที่ยงก็ยังน้อมไปให้มันเที่ยงอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนี่คือเรามีความเห็นที่ขัดแย้งต่อสัจธรรม เรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่อนุโลมต่อสัจจะไม่เป็นไปตามสัจจานุโลมไม่อนุโลมว่าทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่อนุโลมไปเพื่อจระละวิปปัลลาดไม่อนุโลมไปเพื่อจะละสมุ ท, ทยัยไม่อนุโลมไปเพื่อแทงตลอดอสังขตธาตุเพราะฉะนั้นเราไม่อนุโลมต่อสัจจะ ก, การตรัสรู้ธรรมจะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดในเบื้องแรกเบื้องต้นเนี่ยควรเป็นความคิดที่น้อมไปตามแนวอริยสัจก่อนเป็นหลัก ะถ้าความคิดใดถ้าไม่เป็นไปตามหลักอริยสัจนะคนที่เบื่อหน่ายเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีว่าถูกจิตหลอกหรือเปล่าเหนไจิตหลอกให้เบื่อเป็นบางอย่างแล้วต้องการสถานที่บางอย่างหรือเปล่าเต้องการสังฆะธรรมอีกชนิดหนึ่งหรือเปล่าเบื่อตรงนี้แล้วต้องการตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะเหมือนกับว่าเบื่อป่านี้แล้วจะไปอยู่ปาน้นนะอย่างเงี้ยไ ไมเอาเลยตรงนี้จะไปอยู่ตรงโน้นแหละเบื่ออย่างนี้มันก็เบื่อที่หนึ่งแล้วก็ไปหาอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองอนะเบื่อสังขารชี้นิดหนึ่งแล้วก็ไปหาสังขารชี้นิดหนึ่งเบื่อขันนี้ก็ไปหาขันอันใหม่เพราะขันนี้พูดมากไปเนียไปหาขันที่ขเขาเงียบๆไปอย่างเงี้ยนนะปะป๊าอย่างเงี้เรื่อยทีนี้คนที่เจริญปัญญามากๆเนี่ยจึงเห็นไทยแม้กระทั่งในภพสามกำเนิดสี่ คติห้าวิญญาณสิ่ติดเจ็ดสัตวาวาสเก้าอันนั้นก็ต้องเบื่อในสังขารทุกชนิดแต่ส่วนที่สําคัญว่าหน้าเบื่อก็หน้าเบื่อไอ้เจตนาตัวนี้แหละมันต้องนําเกิดอีกเนี่ยนะอันนั้คือประเด็นสําคัญว่าเบื่อเจตนาที่ตัวนําเกิดเนี่ยตัวตัวไหนตัวนําเกิดก็ตัวความคิดเหล่านี้เนี่ ย, ยแหละจะเป็นตัวนําเกิดเพราะฉะนั้นเขาเบื่อแม้กระทั่งกรรมเบื่อปฏิสนธิ เ, เบื่อตัวเจตนากรรมทั้งที่เป็นบุญเบื่อทั้งกรรมที่เป็นบาปเพราะทั้งบุญทั้งบาปก็นำไปสู่ปฏิสนธิเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเมื่อเบื่อนายในลักษณะนั้นจึงเห็นว่าภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตาวาสเก้าเนี่ยนะคือมหาภัยถ้าลองดูนะว่าในหน้าห้าสิบแปดเนี่ยนะกล่าวถึงว่า พบสามเหมือนหลุมถานเพลิงโอ้โหพรมมโลกก็เหมือนหลุมถานเพลิงไเนะีไปห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งก็หลุมถานเพลิงทั้งหมดเลยนะอ๋อแจ๋วละประท่านะ่นโหเครื่องประดับนี่นะนั่นก็อะไรดีก้อนถานเพลิงเนะี่ยเอาก้อนถานเพลิงห้อยหูอีกแล้วนยะ่เยถ้าขนาดนั้นก็โอ้มีบุญมากไหมมีปัญญาจริงๆอ่ะ แต่ถามว่าอย่างเนี้ยคนอย่างงี้มีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะมีจริงๆอ่ะนะก็ผมภ้าเมื่อไร่โอ้โหปิดแผลอีกแล้วเนี่ยนะทานอาหารก็โอ้หยอดน้ํามันแผลอีกแล้วเนี่ยนะปากแผลอีกแล้วปอกแผลอีกแล้ว น, ะววนั้นคื อ, ค, อคือคนที่มีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะคนที่มีปัญญา ม, มากเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนเพราะอัจยาสายัยวิวัตะเขามีมากอ น, นะในสมัยพุทธกาลก็มีในยุคนี้ก็ยังพอมีมหาภูตรูปสีเนี่ยนะนะ เหมือนอสสรพิษเลยนะครับหวีผมเมื่อไหร่ก็เออหวีปฐวีธาตุอันนั้หวีอสสรพิษอีกแล้วเนี่ยนะแปลงคฟันกออ็ดูแลอสสรพิษคือธาตุดินอีกแล้วล้างหน้าตะโจก็ อ, อ, อสสรพิษเนี่ยนะมาพูด ร, รูปอีกแล้วเนี่ยนะลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนก็ อ, อุ้ยมาเครื่องจักรมันก็ลังเป็นไปอีกแล้วเนี่ยนะเห็นอย่างเงี้ยขันห้าก็เหมือนกับเพชรจะขาดใช่ไหมขันห้ามันฆ่ากันเองไนหะ มาสองวันก่อนเออสองสามวันก่อนบอกอาจารย์มันเอาอีกนิ้วหนึ่งแล้วเขางั้นอะไรบอกว่าคือนิ้วของผมเนี่ยนะคือที่กระดูกอะ่ะแคนเซียมมันดูดออกไปเขาบอกงั้นเนี่ยมันปวดนึบห น, นึบนึบนึบเลยเนี่ยมันกําลังดูดกระดูกอยู่เขาบกงั้นก็ถ้าเป็นคนอื่นพูดนะไม่ค่อยธรรมดาหรอกเขาเป็นพยาบาลพูดนั่นนะคือเขารู้ว่าอาการของกระดูกผุมันเป็นอย่างนี้ คือหมายก็ว่ามันมันอยู่ๆแล้วมันปวดไอ้กลางกล้องนิ้วเลยนะนึบหนึบหนึบเหมนกับว่าตอนเนี้ยมันกําลังดูดเอาแคลเซียมจากกระดูกไปเนี่ยนะเขาบอกนี่มหาพูดมันกําลังกัดมหาพูดอยู่ว่างั้นก็บอกว่านิ้วแรกยังไม่ค่อยหายแล้วมันเอานิ้วที่สองอีกแล้วว่างั้นผมกําลังกินแคลเซียมอยู่เขาบอกงั้นเนี่ยนะก็เรื่องขันหักกันนะขันห้ามันกัดขันห้าได้นะมันดูดจริงๆอ่ะนะแล้วก็บางคนนี่ยเขาบอกว่ายิ่ง ผู้หญิงอ่ะนะอายุมากๆเครื่นี้แคลเซียมมันก็ลดลงไหยก็กระดูกถูกย่อยสลายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยะนะก็ขันห้ามันกินขันให้เองนอะละขันห้ามันเริ่มกินขันห่านะมหาภูตรูปมันกินมหาภูตรูปทีนี้ในขณะเดียวกันนะนามมันก็กินนามด้วยนะนามธรรมมันก็กินนามธรรมเช่นว่านามคือโทสะมันกินศีลหมดเกลี้ยงเลยนามคือราคากินสมถะนามคือโมหะกินวิปัสนาหมดเลย อันนั้ไอ้ส่วนหนึ่งเพิ่มไอ้ส่วนหนึ่งลดไอ้ส่วนหนึ่งมันยุ่งไปหมดเลยเนีน้มคือความทุกข์เกิดขึ้นมันกัดกินความสุขหายไปหมดอันะนามคือความสุขเกิดขึ้นคอยยังชั่วหน่อยอย่างเงี้ยน้ำมันก็กัดกินกันเองอยู่นั่นแหละนะเขบอกเพชรจะขาดเหมือนขันห่าขันห่าเหมือนเพชรจะคาดมันเข็นมันข่ามันล้างมันพลานกันอยู่นั่นแหละนั่งอยู่เหมือนไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วร่างกายของเรามันถ้ามันลองนิ่งๆเช่นเลือดไม่สูบฉีดอะไรจะเกิดขึ้น ก็ที่มันยังเป็นไปได้เนื่องจากว่าเลือดมันสูบฉีดความดันยังมีอยู่หัวใจยังเต้นอยู่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะมันทํางานกันอย่างเต็มที่อน่ยนะสมานกันยังจริงเป็นไปได้แต่ถ้าอันใดอันหนึ่งเกิดลองเขาขัดกันเลยเนี่ยนธาตุใดธาตุหนึ่งมันขัดกันนแค่เตโชมากขึ้นก็เดือดร้อนเตโชลดลงก็เดือดร้อนวาโยไม่ทํากิตก็เดือดร้อนเนี่ยนะฉันมหาพูดเนี่ยเริ่มมันกัดกินกันเองขันห้า พอมหาพูดมันกัดรูปประขันถูกทำลายรูปประขันทำลายมันทานามปขันทำลายไปหมดอ่ะทีนี้ถ้าปัญญาพิจารณาค้นไปค้นมาตาก็เหมือนบ้านว่างบ้านร้างเนี่ยนะหูก็เหมือนบ้านร้างจมูกก็เหมือนบ้านร้างลิ้นก็เหมือนบ้านร้างร่างกายไล่ไปทั้งหมดก็เหมือนบ้านร้างความคิดก็เหมือนบ้านร้างอนะัอายตนาภายนอกก็เจอปล้นไปหมดเลยเนนเห็นลืมตามองเห็นสีบุญก็หายไปหมดอันนั เพราะมณติการในสีที่เรามองเห็นนะไม่ชอบประชังอ่ะ น, นะไม่งามก็งามกับไม่งามอ่ะ น, นะก็ว่ารู้อยู่เท่านั้นอ่ะนะงามกับไม่งามเท่านั้นนะถ้าใส่ใจว่างามโลภะไม่งามโทสะเนี่ยนะพื้นฐานนั้นเราอะไรบั่งที่เราเอามาทําปริญญาเอาไว้เป็นอย่างดีบ้างจะเห็นว่าโอ้โหอวิชาเรามากมายขนาดนั้นเพราะนั้นอายตนะภายนอกเนี่ยมันก้นเอาไปหมดเลยนะก้นเอาบุญไปหมด ส่วนวิญญาณที่ติดเจ็บสัตตาวาดก้าถูกไฟสิบเอดกองเนี่ยเผาตลอดเนี่ยนะอะไรมั่งไม่เป็นวัตถุที่แห่งราคะโทสะและโมหะพบไหนมั่งไม่มีชาติชราและมรณะพบไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งโซะกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาต์ก็เรียกว่าไฟสิเอ็ดกองเผาอยู่สังขารทั้งหลายเนี่ยคือฝีเนี่ยนะสังขารก็ตัวฝีคือถ้าเป็นสมัยนี้เราอาจจะนึกไม่ค่อยออกอนะเนะ ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลหรือสมัยสมัยก่อนที่ที่สุขลักษณะไม่ค่อยดีนักนะคนเป็นฝีเยอะนีนะก็บอกว่าขันทุกขันมันก็ฝีนั่นแหละนีนะสมัยที่ฝีเยอะๆนะมันจะเห็นชัดเลยขันห้าเป็นเหมือนโรคอ่ะนะก็แค่คําว่าโรคอย่างงี้ปั๊บเนี่ยใสายได้เลยมะเร็งก็ได้เอทก็ดีนะนะไม่ผิดนะนะถูกต้องเลยนะก็มะเร็งมันเกิดที่ไหนเอทเกิดกับใครอย่างงี้ยนะก็เกิดลงขันห้านั่นแหละ แล้วก็ขันห้านี่เป็นลูกศรเพราะมันเสียดแทงเลยนะขันไหนบั่งที่ไม่สร้างความลําบากใจให้เรานี่มีไหมมีส่วนไหนบัางโอโ้ไม่สร้างภาระให้เราเลยเนี่ยนะไม่นี้หาเจอแล้วก็ขันห้าเป็นไขะเป็นตัวป่วยตัวไข่ตัวอาพาธตัวเบียดเบียนเนี่ยนะปราศจากอักาทะไม่ไม่น่าพี่ลมเลยหมดรสชาติเป็นกองโทษใหญ่นะนะคำว่า มหาภาระอนะมหาโทษจริงๆเลยก็เหมือนกับว่าเหมือนต่าชัดที่มีสัตว์ร้ายเหมือนสระน้ําที่มีรากสดข้าศึกที่กําลังเมื่อดาบนะเหมือนไปอยู่ชายแดนพม่าตอนนี้เอาไหมพยพไปอยู่ น, นั่นน่ะไม่น่าสนใจไหมไปอยู่นะ่ะแถวแคชเมียนั่นแหละอินเดียกับปากี้ะ แ, แถวนั้นนะ่ะไหมไปอยู่ระหว่างปาเลสไตน์กับยูงตะแถวนั้นโนอะ้โหมหาภัยรอบด้านเลยนะ แล้วก็เหมือนโพชนะที่เจือด้วยยาพิษอ่ะนะรู้ว่าเกณฑ์ละครนี้อะไรจะเกิดขึ้นขนทางที่เต็มไปด้วยโจรอ่ะนะแล้วก็เรือนที่ไฟไหม้ทั่วหมดแล้วเหมือนสนามรบที่เหล่าทหารกำลังรบกันอยู่นะกำลังสมัยก่อนเนี่ยนะแบบดาบต่อดาบกันกันสนั่นมันไวไปหมดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเหมือนอย่างว่าบุรุษนั้นอาศัยภัยมีป่าชับที่เต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายเหล่านี้กลัวแล้วตกใจแล้วขนลุกชูฉันย่อมเห็นโทษอย่างเดียวรอบด้านฉันใดพระโยคาวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันครั้นเมื่อสังขารทั้งปวงเนี่ยปรากฏโดยความเป็นภัยด้วยอํานาจพังคานุปัสนาเห็นแต่โทษอย่างเดียวปราศจากรถหมดความแช่มชื่นอยู่รอบด้านอาทีนวานุปัสนาญาญย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีบุคคลนั้น ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ไอคําว่าเห็นเนี่ยมันไม่น่าอภิรม์แม้แต่สังขารเดียวะนะอย่าลืมนะว่าพวกวิปัสสนาญาณเหล่านี้นะมันไม่เข้าใจผิดหรอกมันเห็นโทษแม้กระทั่งความคิดอ น, นั้นด้วยนะไม่ใช่เห็นโทษแต่ภายนอกอย่างเดียวนะเห็นโทษแต่ภายแม้กระทั่งภายในทั้งหมดด้วยพระโยคีนะบุคคลนั้นเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นโทษอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายกระวนกระวาย ไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายอันมีประเภทในภพกําเนิดคติวิญญาณทิติและสัตวะทั้งกลวงเนะเหมือนกับพญาหงทองใช่ไหมพญาหงทองเนี่ยไม่ยินดีในหมู่บ้านของจันทานยินดีเฉพาะในน ส, สะใหญ่มีสะอนดาตเป็นต้นเนี่ยนะผงคือพระโยาคาวจรก็เหมือนกัน เห็นโทษในสังขารก็ยินดีเฉพาะอนุปัสนาหมายถึงว่ายินดีในปัญญาที่เกิดขึ้นบ่อยๆคำว่ายินดีในวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่ไปเพลินในวิปัสนาที่มันเกิดไปแล้วแต่หมายถึงว่ายินดีที่จะให้ปัญญานี่เกิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอ่ะยินดีในลักษณะนี้ น, นะน้อมไปให้ปัญญาเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพรานก็ยินดีในภาวนาอย่างนั้นอ่ะนะ เปรียบเหมือนศีหะผู้มิคราชถูกขังก็ไม่ยินดีในกรงทองยินดีเฉพาะในป่าหิมวันนี้ก็เหมือนกันนะพระโยคาวจรก็ไม่ยินดีในสุขติพบยินดีเฉพาะอนุพัสนาเนี่ยยินดีในการตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่เบื่อไปสัมหมดทุกเรื่องเลยนะแต่ก็มียินดีที่จะให้ภาวนาเนี่ยเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมจะให้สมถวิปัสนาเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปอุปมาเหมือนกับว่า คนที่กำลังเดินทางเพื่อออกจากทางออกจากสถานที่ทีม่มันมีภัยอยู่รอบด้านนะกําลังเดินทางเนี่ยแต่ละก้าวนี่ดีใจใช่ไหยแต่ละก้าวที่ก้าวออกไปเพื่อจะพ้นจากตรงนั้นก็ดีใจดีใจในการก้าวออกแต่ไม่ดีใจในใ น, ในสิ่งรอบข้างทั้งหมดเนยนะอุปมาเหมือนพญาช้างฉลาดทันเนี่ยนะเผือกผ่องทั้งตัวมีที่ตั้งดีเจ็ดสถาน เขาบอกว่าช้างชั้นยอดเนี่ยนะจะต้องมีที่ถึงดินเนี่ยเจ็ดแห่งเจ็ดแห่งก็คืองวงงวงต้องถึงดินนะเท้าสี่ใช่ไหมหางอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ละเป็นหกแล้วก็องค์ชาติอีกหนึ่งถึงดินเนี่ยนะเรียกว่าที่ที่เจดอย่างเนี่ยถึงดินเนี่ยนะจึงเรียกว่าพยาช้างชั้นยอดคำวมางั้น เพราะช้างระดับนี้ก็ยินดีแต่ในสระใหญ่ชื่อว่าฉัตรทันพระโยคีก็เหมือนช้างตัวประเสริฐเนี่ยนะก็ไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงยินดีในสันติบทคือพระนิพพานเท่านั้นจิตเนี่ยน้อะไปหาสังขตะอย่างเดียวอันท่านแสดงโดยในเป็นต้นว่าการไม่เกิดขึ้นเนี่ยปลอดภยัยคือเห็นว่าความเกิดทุกชนิดเนี่ยเป็นภยัยถ้าไม่เกิดนี้ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นมีใจ โน้มไปโน้มไปเงื้อมไปในสันติบทคือพระนิพพานอันนั้นพระนิพพานุปัสสนาเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแล้วแก่พระโยคีนั้นด้วยเหตุดังด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยประการชนิะนั้นจิตของท่านเนี่ยน้อมไปหาอาสังคตธาตทาทุโดยเห็นภายในสังคตธาตาุโดยประการทั้งปวง ขอถามอาจารย์ว่าแล้วอย่างนี้การที่ติดในภาวนาอย่างเช่นการที่ติดในเจริญให้เป็นยาเกิดยิ่งขึ้นหรือให้กุศ ล, ลเจตเกิดยิ่งการติดนั้นอ่ะเป็น okay. อันนี้ไม่ไม่ใช่ติดไหถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ติดเขาเรียกว่ามีฉันทะมีฉันทะเรียกว่าเป็นผู้มีฉันทะมีศรัทธาอย่างนี้ดีเรียกว่ามีฉันทะอะนะ ฉันทาสมาธิประธานสังขารนะนะอยู่ในอิทธิบาทด้วยแล้วก็อยู่ในมีความพอใจในการปรารบความเพียรซึ่งเป็นลักษณะของสัมมาประธานสัมมาประธานนั้นมีฉันทาเกิดร่วมด้วยท่านฉันทาตัวนี้เนี่ยเป็นกัตตุกรร ม, มยตาฉันทะเป็นกุศลเป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะนับเนื่องในพาเวตประธรรมแต่ไม่ได้ติดข้องคือเห็นว่ามีคุณเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า เราเป็นโรคอนะเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงมากแล้วก็ดื่มกินยาทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ติดข้องในยาอะไรมากมายแต่เห็นคุณของยาแล้วก็ยินดีที่จะกินยาเพื่อจะรักษาโรคอันนั้นเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าติดเขาเรียกว่ามีศรัทธาเนี่ยนะเพราะว่ามันเปรียบเหมือนกับว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยนะต้องการที่จะ ประกอบเรือประกอบแพเพื่อที่จะข้ามไปสู่อีกฝากหนึ่งนั่นเซึ่งไม่มีอย่างอื่นเลยนะการประกอบเรือการประกอบแพก็เพื่อข้ามฝั่งฉันใดการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะนั้นแต่พูดถึงแถวบ้านนะแถวบ้านเกิดอตมาเนี่ยเขามีพระพูดนะนั่น ค, คือมีพวกพวกอาจารย์ทั้งหลายเขาพูดนะสมัยเด็กๆเึิ่งเราก็ฟังแล้วก็จําได้คร่าวๆว่า มีชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นซึ่งมันก็ไกลอ่ะนะทีนี้เรืออะไรก็ไม่มีสักอย่างอ่ะนะ่ยเขาก็ว่ายน้ําไม่เก่งก็บอกว่ามันก็มีศพอืดอยู่ลอยตรงนั้นอนะ่ะก็จำเป็นต้องกอดศพแล้วก็ว่ายเพื่อจะข้ามไปให้มันถึงฝั่งโน้นอ่ะเนีก็ถึงฝั่งโนะ้นแล้วก็จะอาบน้ําล้างออกไปเนะี่ยให้มันปลอดภัยฉันใดผู้ที่เจริญกรรมฐ า, านข้างก็บอกว่าอย่างนั้น่นะนี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้คล้องแต่ว่า ถ้าไม่อาศัยสิ่งนี้นะไม่รู้จะออกได้อย่างไงคือการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอย่ารังเกียจในสัมภาระที่เป็นบุญแต่ให้รังเกียจสัมภาระที่เป็นบาปอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปเถอะเนี่ยนะบุญตัวไหนทําได้ก็ทําไปเถอะเราหอบอันอื่นที่ไม่มีประโยชน์เราก็หอบมาตั้งเยอะแยะแล้วหอบอันนี้ที่เป็นไปเพื่อวิวัตควรหอบไม่ใช่หรือ เนี่ยนะถ้าอะไรจะเกื้อกูลตอกกุศลเพื่อการนำออกจากวกฏ ะ, ะทำไปเธออย่าได้เบื่ออย่าได้น่ายเลยเนี่ยนะเดี๋ยวพักสันหน่อยนะ